พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของพวกเราเพราะใจเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่กับพวกเราไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราเป็นของเรา ไปได้ตลอดเหมือนกับใจของพวกเราใจกับเรานี่ไปด้วยกันเป็นเหมือนฝาแฝดเป็นเหมือนคู่ครองถ้าเรารู้จักทำใจให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้จัก ทำใจของเราให้มีความสุขใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไปตลอดตอนนี้ใจของพวกเรายังไม่รู้จักวิธีทำให้ใจมีความสุขรู้แต่วิธีทำให้ใจมีแต่ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ทุกมาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าความทุกข์ของพวกเรา มีมากน้อยเพียงไรก็ให้นึกถึงน้ำตาที่เราร้องไห้กันหลังกันเวลาที่เรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความเสียใจเรามักจะร้องไห้กันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเอาน้าตาที่เราร้องไห้นี้มารวบรวมกันไว้ น้ำตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วนี่มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรใจอีกเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเราร้องไห้นี่ร้องไห้กันทีล 2, 2, 3, ะสองสองสามสองสามหยดเดิมสองสามสี่สีแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรได้อย่างไร นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ร้องไห้เฉพาะครั้งนี้ชาตินี้เท่านั้นเราเคยเกิดมาเป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วแล้วทุกๆครั้งที่เรามาเกิดแบบนี้เราก็มาร้องไห้กันแบบนี้ร้องไห้เพราะสูญเสียสิ่งที่เรารับไปร้องไห้เพราะไม่ได้ดังใจอยากร้องไห้เพราะเสียใจ รอ้องไห้เพราะน้อยใจรอใ้องไห้เพราะโกรธเพราะเกลียดทำอะไรไม่ได้ดังใจก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้กันนี่คือความทุกข์ของใจที่แสดงออกมาด้วยการหลั่งน้ำตาน้ำตาที่เราหลั่งออกมานี่ถ้าเราเก็บมารวบรวมกันแล้ว ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดกันมาแก่มาเจ็บมาตายกันมันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเสียอีกนี่คือความทุกข์ของพวกเราเราหลั่งน้ำตามามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีทำให้ใจเราสุข วิธีที่เราคิดว่าทำให้ใจเราสุขกับกายเป็นวิธีที่ทำให้ใจเราทุกข์กันนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือไม่รู้จักวิธีหาความสุขให้กับใจความสุขที่เราหาให้กับใจเป็นความสุขที่มักจะกลายเป็นความทุกข์ไป เพราะความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขที่ต้องมีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปนี่แหละดึงทำให้เราทุกข์กันเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปเราถึงกับต้องร้องไห้หลั่งน้ำตากัน เพราะเราคิดว่าหลงคิดว่านี่คือความสุขแต่พอได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีวันรู้จากวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องหลั่งน้ําตากันความสุขที่จะไม่มีวันหมดความสุขที่จะไม่มีวันจากเราไปกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสอน หรือพระอาริยสงสารกพวกเราก็จะต้องหลั่งน้ำตากันต่อไปอยู่เรื่อยๆจะหล่งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่าเพราะใจของพวกเรานี้มันไม่มีวันตายใจนี้มันพยายามแสวงหาความสุขมากี่แสนล้านชาติแล้ว แต่ก็ไม่ได้เจอความสุขที่ไม่ต้องหลังน้ำตาเจอแต่ความสุขที่ต้องหลังน้ำตาอยู่เรื่อยๆจะมีโอกาสหาความสุขแบบที่ไม่ต้องหลังน้ำตาได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างในปัจจุบั น, นชาตินี้ชาตินี้ของพวกเรานี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นอย่างมาก เพราะนานๆานจะได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอริยสงสากถือว่าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับทางที่จะพาให้เราไปสู่ ความสุขที่แท้จริงทางที่จะพาให้เราห่างไกลจากความทุกข์ความทุกข์นี้มันไม่ได้มาหาเรานะพวกเราไปหามันเองโดยความหลงของพวกเราหลงเพราะคิดว่าสิ่งที่เราหากันนี่เป็นความสุขนั่นเอง แต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ที่มีความสุขห่ออยู่เล็กน้อยเหมือนเหยื่อที่หุ้มห่อเบ็ดนี่เองปราเบ็ดนี่มันมันไม่ได้ไปหาปลานะปลาไปหาเบ็ดเองเบ็ดมันอยู่เฉยๆมันมีเหยื่อหุ้มอยู่ที่ปลายเบ็ดอยู่ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเอง ปลาพอได้กินเหยื่อมันก็วิง่งมันก็ว่ายก็หาเหยื่อทันทีเพราะมันเคยกินเหยื่อแบบไม่มีแบ็ดมาก่อนมันก็เลยคิดว่านี่คือเหยื่อแบบไม่มีแบ็ดแต่พอมันไปกินแบ็ดไปกินเหยื่อเข้าเหยื่อที่มีเบ็ดติดอยู่มันก็เลยถูกตะขอแบ็ดเกี่ยวปากฮะ ถูกคนที่ตกปลาลากปลาขึ้นไปเข้าไปในหม้อแกงต่อไปนี่แหละคือความทุกข์มันไม่ได้มาหาเราพวกเราไปหามันกันเองเพราะเราไปหาความสุขที่ติดอยู่กับความทุกข์นั่นเองแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์เพราะความสุขมันบังเอาไว้ความสุขมันบังความทุกข์ ที่ทำให้พวกเราต้องร้องห่มร้องไห้กันความสุขที่เราหากันที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญแล้วก็ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เองที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันทุกคนทุกเวลาไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอน พอออกจากท้องแม่มาก็เริ่มร้องหาความสุขเหล่านี้แล้เด็กทารกออกมาก็ร้องแล้วร้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายหิวแม่ก็ต้องให้นมร่างกายร้อนแม่ก็ต้องอ า, อาบน้ำชาระ รั่งกายหนาวก็ต้องหาผ้าหม่มมาให้หม่มอยากจะดูอะไรก็แม่ก็หาอะไรมาแขวนไว้บนเปลให้ดูเห็นไหมอยากดูอะไรนอนอยู่ในเปลมองขึ้นไปก็มีแต่ฟ้าเพดานว่างๆไม่มีอะไรน่าดูก็ร้องพอร้องแม่เลยก็ต้องไปหาปลาเงินปลาทองมามาห้อยไว้เรื้อหา ประดงกระเด่งหรืออะไรเวลานอนหงายขึ้นมาดูบนอมองขึ้นไปข้างบนก็จะได้มีของอะไรแปลกๆมีสีมีสันนี่ก็ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดร้องไห้ แล้วเดี๋ยวก็ร้องใหม่เดี๋ยวอยากจะได้ของใหม่ของเก่าที่ได้มาเบื่อแล้วเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปหาของแปลกของใหม่มาให้ดูให้เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละเริ่มมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กการอยากหาความสุขเหล่านี้มันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาสอนพ่อแม่ไม่ต้องสอน อยากมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะผู้ที่มาเกิดเป็นทารกนี้ไม่ใช่ทารกผู้ที่มาเกิดเป็นทารกนี้คือใจที่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนในชาติก่อนเหมือนกับพวกเราในตอนนี้ตอนนี้เราเป็นมีร่างกายที่เป็นผู้ใหญ่ต่อไปร่างกายนี้ก็จะแก่แล้วก็จะต้องตายไป พอร่างกายนี้ตายไปใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายอันใหม่ก็ต้องเริ่มต้นที่การเป็นทารกก่อนไม่มีใครมาเกิดปั๊บได้ร่างกายที่เป็นหนุม่มเป็นสาวกันเลยแต่ถึงแม้จะเป็นทารกแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นทารกใจนี้ มีความอยากเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกอย่างเพราะใจนี้เคยอยากมาในในชาติก่อนอยากมาตอนที่มีร่างกายเป็นผู้ใหญ่รู้จักความอยากต่างๆรู้จักหาความอยากต่างๆด้วยตนเองแต่พอมาเกิดตอนเป็นทารกนี่ไม่สามารถหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ ก็เลยต้องส่งสัญญาณให้แม่ให้พ่อรู้ว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังพูดกันไม่ได้ก็ใช้วิธีร้องร้องส่งเสียงดังเราร้องส่งเสียงดังพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าต้องการอะไรว ะ, ะหิวน้ำหรือเปล่าตอนนั้นกขคงคิดว่าหิวนมเอให้นมกินถ้า กินนมแล้วหายร้องอ่ะก็ใช้ได้เดี๋ยวเกิดร้องขึ้นมาอีกดูปวดฉี่หรือเปล่าฉี่าดหรือเปล่าต้องแบบเปลี่ยนผ้าหรือเปล่าพ่อกับแม่อะไรต้องใช้การศึกษาดูว่ากาลังอยากได้อะไรต้องการอะไรเนี่ยคือความอยาก ได้ความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกเล้นกายนี่เองที่มันมีอยู่กับใจมาแต่ดั่งเดิมหาความสุขแบบนี้มาตลอดเวลาพอไม่ได้ความสุขก็ร้องไห้ตอนเป็นเด็กนี่ร้องไห้บ่อยเพราะไม่เพราะไม่สามารถหาอะไรตามที่อยากได้ ท, ทันทันที ก็ต้องร้องไห้จนกว่าพ่อแม่จะรู้ว่าต้องการอะไรถึงหามาให้ได้พอหามาได้ก็หยุดร้องไห้ไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็ร้องใหม่ขึ้นมาอีกนี่นี่คือการหาความทุกข์ของใจของพวกเราทุกๆคนหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เวลาได้มาใหม่ๆดีใจพอได้มันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เบื่อความสุขที่เคยได้จากมันก็หายไปก็อยากจะได้สิ่งใหม่มาให้ความสุขใหม่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจร้องไห้ถ้าได้ก็ดีใจเดียวเดียว แล้วถ้าสิ่งที่ได้มาหายไปก็เสียใจหรือถ้าไม่หายก็เบื่อก็ไม่สนใจก็อยากได้สิ่งใหม่อีกนี่คือการหาความสุขของพวกเราทุกคนหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพกันเพื่อให้เกิดความสุข เพียงชั่วคราวแล้วก็เวลาที่มันหมดไปหรือเวลาที่มันเสื่อมไปหรือว่าเวลาที่เราเบื่อมันมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกต่อไปแล้วก็ร่างกายของพวกเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆมันก็ ต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียเหมือนกันร่างกายในช่วงแรกๆของชีวิตนี้ไม่ค่อยมีปัญหาตอนเป็นตอนกำลังเจริญเติบโตขึ้นมามีแต่กำลังวังชามีแต่ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของใจอยากได้อะไรก็สามารถหาได้ ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็พยายามหาอย่างอื่นใหม่เดี๋ยวก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขแล้วเดี๋ยวพอสิ่งนั้นสิ่งนั้นความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปก็ต้องดิ้นหาใหม่ต่อไปก็หามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่วัยชรา จนกว่าจะเข้าสู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่จะต้องตายตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่อยากจะหาความสุขถ้าแก่บางทีก็หาไม่ไหวจะไปเที่ยวแบบคนหนุ่มคนสาวก็ไปไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเห็นไหมผู้ใหญ่บางคนต้องนั่งรถเข็น าย ไ, ไหนมาไหนต้องให้คนอื่นคอยอุ้มคอยอพาลิ่รถเข็นไปไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งไปดูไปเท่านั้นเองไม่ได้ไปกระโดดโลดเต้นเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเขาทำกันนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆที่ใจของพวกเราหากันเองโดยที่คิดว่ามันเป็นความสุข เราจะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเพราะว่าเวลาที่ร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆเวลาที่มันตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันเลยพาใจ ให้ไปหาร่างกายอันใหม่เนี่ยใจของพวกเราเวลาที่ร่างกายตายไปก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปเราเรียกว่าดวงวิญญาณแต่เป็นใจตัวเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานภาพเหมือนคนที่เป็นโสดกับคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานผู้หญิงก็เรียกว่านาง พอหย่ากันเลิกกันก็เป็นโสดก็กลับมาเป็นนางสาวหรือก่อนแต่งงานก็เป็นนางสาวใจเวลามาแต่งงานกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือใจจิตใจพอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ แต่ยังเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายมาตอบสนองความต้องการของใจช่วงนั้นใจก็เลยต้องรอจังหวะให้มีร่างกายอันใหม่ที่จะไปครอบครองเพื่อที่จะได้เอาร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือพาให้ไปทําอะไรต่างๆได้ต่อไปนลคร ่ช่วงที่เป็นดวงวิญญาณนี้เป็นช่วงที่เหมือนอยู่ในโลกของความฝันเหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี้ร่างกายกับใจจะแยกกันออกชั่วคราวเพราะใจไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับใจได้ใจก็เลยใช้ความฝันเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ความฝันนี้มันก็ มีทั้งความฝันดีกับฝันร้ายถ้าไปทำบาปทำอะไรไม่ดีมาเวลานอนหลับก็มักจะฝันร้ายกันถ้าเวลาเวลาที่ไม่ได้นอนหลับถ้าไปทำความดีต่างๆอย่างวันนี้มาทำบุญทำความดีเวลานอนหลับก็จะฝันดี ฝันแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขกันนี่คือเรื่องของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายจะอยู่ในข่วงของความฝันจะฝันดีหรือฝันไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้ในขณะที่มีร่างกายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป ตอนที่ตายไปก็จะมีแต่ฝันดีฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันดีมากฝันฝันดีน้อยฝันดีมากก็สุขมากฝันดีน้อยก็สุขน้อยก็มีหลายระดับด้วยกันการฝันดีก็มีหลายระดับเขาถึงเรียกการฝันดีระดับต่างๆว่าสวรรค์มีชื่อต่างๆ เช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดุสิตนะสวรรค์ชั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ ส, สภาพของดวงวิญญาณที่อยู่ในความฝันอยู่ในความฝันในระดับต่างๆนั่นเองตัวจิตดวดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าเป็นเทวดาไปนี่คือดวงวิญญาณหรือจิตใจ ตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่คนตายไปเนี่ยอย่างใครที่มีญาติพี่น้องที่ตายไปตอนที่เขาอยู่กับเราเขาใช้ร่างกายของเขาติดต่อกับเราคุยกับเราได้เราก็ใช้ร่างกายของเขาติดต่อกับเขาได้แต่พอเขาไม่มีร่างกายเขาก็เลยไม่สามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทางร่างกายของเรา ถ้าเราอยากจะติดต่อกับเขาเราต้องติดต่อในตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราฝันเพราะตอนที่เราฝันเราจะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือติดต่อเราก็จะใช้จิตใจกับดวงวิญ ญ, ญาณติดต่อกันได้ถ้าเขาจากจะมาหาเราเขาก็จะมาเข้าฝันได้ที่เรานอนหลับแล้วบางทีฝันถึงคนที่ตายไปแล้ว ก็อาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณของคนที่ตายแล้วเขาอยากจะมาติดต่อกับเราเขาก็จะมาติดต่อกับเราในช่วงที่เรานอนหลับนะเพราะเวลาเราตื่นติดต่อไม่ได้เพราะเรากลับไม่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราใช้ร่างกายติดต่อแต่เวลาที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายติดต่อเวลานอนหลับเราติดต่อกับคนที่มีร่างกายไม่ได้ แต่เราติดต่อกับคนที่ไม่มีร่างกายได้เวลาที่เราตื่นเราติดต่อกับคนที่ไม่มีร่างกายไม่ได้เพราะเรามัวแต่ติดต่อกับคนที่มีร่างกายนี่คือทาไมบางทีคนตายไปแล้วยังกลับมาหาเราได้อยู่แต่ก็ไม่แน่เสมอว่าเวลาที่เราฝันถึงเขานี่จะหมายความว่าเขามา หาเราเพราะบางทีเราฝันคิดถึงเขาไปเองก็ได้แต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามาจริงหรือไม่ถ้าเราสามารถที่จะถามหรือให้เขาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถไปพิสูจน์ได้เช่นบางคนอาจจะตอนที่มีชีวิตอยู่รักหรือหวงสมบัติชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ไม่บอกใครว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอาจจะไปฝังไว้ในสวนหรืเอเก็บไว้ในตู้ในลิ้นชักตรงไหนซักแห่งถ้าเกิดเวลาเขาเข้ามาฝันแล้วเข้ามาบอกเราว่าอัเนียฉันมีของนี้อยากจะให้เธอเพราะตอน ตอนที่ตายนี้ไม่มีเวลาตั้งใจจะให้แต่ไม่อยากจะให้ตอนที่ยังไม่ใกล้ตายที่ไปตายตอนกระทันหันเข้าเลยไม่มีเวลาบอกว่าของเช่นนี้อยู่ตรงไหนเขาเป็นห่วงอยากจะให้เราได้ของเช่นนี้เขาก็มาเข้าฝันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีกำไรหรือมีแหวนเพชรเก็บไว้อยู่ในอซอกมุมอพอเราตื่นขึ้นมาเราลองไปดู ตามฝันดูถ้าเจอก็รู้ว่าโอเนี่ยเขามาจริงละอ น, นี่เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ก็อาจจะยังไม่รู้จริงว่าเขามาจริงหรือไม่นนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องของดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนที่ไม่มีวันตาย ร่างกายตายไปแต่ดวงจิตดวงใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ไปสวรรค์ก็เป็นก็ไปแบบตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีนั่นเองที่ไปอบายไปเป็นเปรตไปเป็นนสูนตกายไปนรกก็ก็เป็นแบบตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันลายฝันไม่ดี ฝันไม่ดีบางทีตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกพักเลยะขณะที่ฝันก็ไม่รู้ว่าฝันคิดว่าเป็นเรื่องจริงตอนที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันจะรู้ก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วแล้วถึงมองกลับไปว่าโอเมื่อกี้นี่เราฝันฝันเรื่องดีบ้างฝันเรื่องไม่ดีบ้างแต่เวลาที่เราตายไปนี่เราไม่มีเวลาตื่นะ เราก็เลยไม่รู้ว่าเราฝันเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราฝันดีเราก็คิดว่าเราเรากำลังเหมือนกับเราที่เราตื่นตอนนี้เหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ดีต่างๆเมื่อเวลาที่ฝันร้ายมันก็เหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเราจะเราจะคิดว่ามันเป็นเหมือนกับตอนที่เราตื่นนะแล้วเราจะไม่รู้ว่าเป็นความฝัน พราะเวลาเราตื่นขึ้นมาอันนี้เราจะมาเป็นเด็กทารกก่อนฮะตอนเป็นเด็กทารกก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทบทวนความฝันฮะพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจแล้วเพราะต้องหายใจเองต้องดิ้นรนต่อสู้กับการดูแลร่างกายของตนเองเรื่องที่ฝันผ่านมาก็ลืมไปหมดนี่คือ ทำไมจึงมีนรกทำไมจึงมีสวรรค์ทำไมจึงมีการเวียนว่ายตายเกิด mm. ก็เพราะว่าใจของพวกเรานี่แหละ mm. มันไม่ตายนั่นเองมันไม่มีวันตายมันเลยต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆที่มันต้องการไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยเพราะว่ามันต้องการไปหาความสุขที่มันไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ ความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ที่แท้จริงเพราะจะต้องเจอความทุกข์ทุกครั้งเวลาที่มาเกิดเวลามาเกิดก็ต้องทุกข์ต่อการเ ล, เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูชีวิตของตนต้องทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆภัยทางธรรมชาติภัยทาง ทางเชื้อโรคภัยทางโรคภัยไข้เจ็บภัยทางอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยทางมนุษย์ด้วยกันพวกมิจฉาชีพมีสารพัดภัยที่เวลาเกิดมาแล้วจะต้องเจอกันนี่คือส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เราต้องเจอกันและนอกจากนั้นยังต้องมาเจอกับความผิดหวงังความสูญเสีย เวลาเราหาอะไรมาได้เราก็รักเราก็หวงพอเราสูญเสียไปเราก็เสียอกเสียใจเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้เวลาเราต้องพัดภาคจากคนที่เรารักเวลาคนที่เรารักจากเราไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เราต้องจากคนที่เรารักไปก็เสียอกเสียใจะ นี่คือภัยต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มากับการมาเกิดแล้วนอกจากนั้นยังต้องมาเจอทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่คิดกันไม่รู้กันเราคิดเพียงแต่ว่าอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้น การจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมกูกลิ้นกาย น, นั่นเองเราก็เลยไปหาร่างกายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือใจของพวกเราที่ไม่รู้จักหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาเจอกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านทั้งสามนี้ท่านจะสอนเราได้สอนให้เราหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันนี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะได้พบวิธีหาความสุขที่แท้จริง พอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วมันจะเป็นความสุขไปตลอดมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะทำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไปไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกาย เพื่อเป็นใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันเราจะสามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ถ้าใครได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เป็นเหมือนกับคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคิดดูง่ายหไหมการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีใครบ้างที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกัน น้อยคนเพราะว่ามันมีรางวัลเดียวคนที่โอกาสที่จะถูกมันต้องหนึ่งในหลายล้านด้วยกันนี่รางวัลที่หนึ่งนะแต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่มันหนึ่งในหลายแสนล้านโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนานสักครั้งหนึ่งเพราะจังหวะของการมาเกิดของเรากับการ มาเกิดของพระพุทธเจ้านี้อาจจะไม่ตรงกันก็ได้อย่างศาสนาพุทธของเรานี้ถึงแม้เราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเราก็ยังได้เจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่คือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ที่จะสามารถสอนให้เราหาความสุขให้กับใจของเรา ได้แบบไม่มีความทุกข์เนโอกาสที่ได้มาเจอแบบนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายและศาสนาหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดอย่างศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะอยู่เพื่อสั่งสอนพวกเราได้ไปไม่เกินห้าพันปีทำไม ถึงหายไปหลังจากห้าพันปีก็เพราะว่าจะไม่มีใครมามาสอนพวกเราการจะสอนพวกเราได้ต้องมีคนมาศึกษาก่อนมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาถึงจะสามารถมาสั่งสอนได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยนี่ถ้าไม่มีการผลิต อาจารย์มีแต่ผลิตลูกศิษย์หรือลูกศิษย์ที่มาเรียนนี้มีจำนวน น, น้อยลงไปเรื่อยๆปริมาณของอาจารย์ที่จะมาสอนต่อไปก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์ที่จะมาสอนก็มาจากนิสิตนักศึกษาที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยพอจบปริญญาบางคนก็มาเป็นอาจารย์ต่อ ถ้าไม่มีนักศึกษาสนใจมาเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไปวิทยาลัยก็ต้องปิดนะก็จะไม่มีการผลิตอาจารย์ผลิตนักศึกษาต่อไปาศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษานี่แหละที่มีการผลิตพระอริยสงฆ์สาวกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพุทธศาสนานี้ขึ้นมาก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแรกพอลูกศิษย์รุ่นแรกเรียนจบก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนต่อพอมีผู้สอนเยอะก็มีผู้สนใจที่จะมาเรียนกันเยอะพอยิ่งเรียนเยอะก็ยิ่งมีผู้สอนเยอะ แต่หลังจากพระพุทธเจ้าตายไปหลังจากพระอริยสงสาวกญรุ่นแรกตายไปผู้ผู้สอนก็น้อยลงผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติก็น้อยลงแต่ก็มีอยู่บ้างก็มีมาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้สอนมีผู้เรียนอยู่ แต่จำนวนไม่มากเหมือนสมัยของพระพุทธเจ้าสมัยของพระพุทธเจ้านี้เป็นสมัยยุคทองของพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้านี้เก่งในการสั่งสอนคนที่ไม่คิดว่าจะเรียนได้จะจบได้พอได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็สามารถ เรียนได้จบได้เพราะความฉลาดในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทําให้ผู้มาศึกษาฟังแล้วเข้าอกเข้าใจได้อย่างง่ายดายและสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เป็นผลขึ้นมาอย่างง่ายดายนั่นเองแต่คนที่ฉลาดแบบพระพุทธเจ้านี้ไม่มีมีคนเดียวนอกนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นลองํำดับมา แล้วลองลำดับก็ไม่มีความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าการความสามารถความสามารถที่จะสั่งสอนให้คนเชื่อคนเห็นคนเข้าใจและปฏิบตัติตามได้ก็มีไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้ปริมาณของการผลิตพระอริยสงฆ์เพื่อที่จะมาสืบทอดเป ศาสนาสืบทอดพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงบางตามเวลาเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้หาพระอริยสงฆ์นี้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านี่เดินไปเจอพระรูปไหนนี่ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ดั้งนั้นในยุครกๆ ตอนนี้พระอริยสงฆ์เหมือนกับเพชรในดินต้องไปขุดไปคุยไปค้นไปหากันถึงจะเจอไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นพิษเป็นเพชรทีอ่อยู่ข้างถนนข้างทางเดินเดินไปไหนก็เจอเพชรเต็มไปหมดนี่แหละคือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาคือจะมีผู้ที่มาสั่งสอนและมีผู้ที่ สามารถรับความคำสั่งสอนไปปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ได้นี้ก็จะมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอพ้นห้าพันปีแล้วตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าจะไม่มีพระอาริยรสงมาสั่งสอนอีกต่อไป ถ้าศึกษาจากพระต่ายเปโตกด้วยตนเองก็จะไม่เข้าใจนอกจากคนฉลาดบางคนเท่านั้นนานๆอาจจะมีหลงเหลือผูกขึ้นมาสักคนที่ยังพอที่จะศึกษาแล้วนํามาไปปฏิบัติและบรรลุได้ <c oughs> แต่ก็อาจจะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาแล้วก็ได้อาจจะบรรลุแต่ไม่ไม่มีใครมาสนใจที่จะศึกษากับท่านก็ ท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้ช่วยตนเองได้เท่านั้ น, นาการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดทุกละกี่ปีร้อยปีพันปีหมื่นปีจะมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงที่เราเป็นดวงวิญญาณนี้เราต้องไป ใช้บุญใช้บาปที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณไปไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่กว่าจะได้มาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เพราะว่ามนุษย์ก็มีจำนวนไม่มากการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีมนุษย์เป็นพ่อเป็นแม่แล้วบางยุคพ่อแม่ก็ไม่อยากจะมีลูกกันใช่ไหม ยุคนี้ไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันหรือมีการบังคับเพราะโลกมันรับมนุษย์ไม่ได้หมดเนี่ยอย่างประเทศจีนเขามีกฎหมายบังคับให้มีลูกได้คนเดียวแต่ดวงวิญญาณที่จะมารอเป็นมนุษย์นี่มันมีไม่ไมรู้กี่จำนวนเท่าไหร่มันมีมากยิ่งกว่าจำนวนของมนุษย์ที่สามารถผลิตร่างกายให้ดวงวิญญาณมาครอบครองได้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนสมัยนี้ที่เด็กต้องสอบเอ็นทันกันเนเวลาจบม .6 แล้วนี่เด็กต้องแย่งเข้ามาหาวิทยาลัยกันเพราะจํานวนมาหาวิทยาลัยที่จะรองรับเด็กที่จบม .6 นี้มันรับไม่ได้หมดทุกคนสมัครพันหนึ่งอาจจะรับได้แค่สิบคนยี่สิบคนแล้วพวกอีกแปดสิบคนเลยพวกอีกต้องแปดอีกเก้าเก้าร้อยกว่าคนจะไปทำอะไร ก็ต้องไปรอเข้าคิวหรือไปเรียนพิเศษหรือไปเรียนเองหรือไปหาที่อื่นเรียนต่อนี่คือความยากของการที่จะมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งเพราะต้องไปคอยสอบเอ็นทานอยู่เรื่อยๆช่วงที่ยังไม่ได้เป็นร่างกายของมนุษย์ก็เป็นดวงวิญญาณฝันต่อไปฝันกับบุญฝันกับบาปต่อไป หรือถ้าไม่ไม่มีบุญหรือไม่มีบาปให้ฝันก็ก็เป็นดวงวิญญาณแบบไม่มีความฝันเหมือนนอคนนอนหลับไปแต่ไม่ได้ฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอมาเกิดแล้วอาจจะเป็นหมื่นปีแสนปีไม่มีาศาสนาพุทธเหลืออยู่แล้วเพราะโอกาสหรือจังหวะของาศาสนาพุทธที่จะกลับมาอีกครั้งนี้ยาวยิ่งกว่าแสนล้านปี เป็นกลับคำว่ากลับนี้ท่านบอกว่านับไม่ได้ด้วยตัวเลขเขียนไม่ได้ด้วยตัวเลขมันยาวนานมากมากกว่าแสน น, นล้านปีก็แล้วกันก็ต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งที่จะมีจังหวะได้มาเจอกับศาสนาหรือเวลามีศาสนาเราอาจจะไม่ได้มาเกิดก็ได้อย่างดวงวิญ ญ, ญาณบางดวงนี้อย่างดวงวิญ ญ, ญาณของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสององค์เนี่ย พระพุทธเจ้ามีอาจารย์ตอนที่ท่านศึกษาตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรูุท่านก็ต้องไปศึกษากับอาจารย์รูปอื่นก็มีอาจารย์สองรูปที่สอนให้ท่านได้สมาธิได้เข้าฌานพวกที่ได้สมาธิได้เข้าฌานเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็อยู่เป็นเวลายาวนานเป็นหมื่นปีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปใหม่ๆนี่ทรงคิดถึงอาจารย์สองรูปนี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่จะสามารถเรียนจากพระพุทธเจ้าได้สามารถที่จะหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ได้แต่ก็น่าเสียดายที่ทั้งสองรูปท่านตายไปซะก่อน ท่านระเบ้อหน้าเสียดายอย่างยิ่งเพราะไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาเกิดขาวหน้านี้าศาสนาพูดุังจะมีอยู่ต่อไปหรือไมอ่นี่คือโอกาสที่จะได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายการถูกตะลี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งยังง่ายกว่าการมาเจอกับพระพุทธศาสนาให้คิดอย่างนี้ แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเงินรางวัลที่เราได้รับจากการถู ก, ถกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับการได้มารับรางวัลจากพระพุทธศาสนาได้มาพบกับวิธีหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรได้พบกับความสุขที่จะทาให้เราไม่ต้องกลับมา ทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอ น, นี่แหละเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่คุณค่าอันมหาศารของพระพุทธศาสนารางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนี่เองพระนิพพานนี่แหละคือสภาพของจิตใจหรือดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลา ไม่มีความหิวความโหยความอยากได้อะไรไม่มีความทุกข์จากการสูญเสียหรืออะไรเลยจิตใจนี้จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะรู้จักวิธีรักษาจิตใจป้องกันจิตใจไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั่นเองอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคนมาสอนตอนนี้ก็มี แหล่งที่สอนธรรมะอยู่สองแหล่งแหล่งที่หนึ่งก็คือพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการจดจําและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระอริยสงสาร ก, ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกไปศึกษาไปด้วยตนเองแต่การศึกษาด้วยตนเองนี้ก็ ยากกว่าการศึกษากับครูจากอาจารย์ลองดูนักศึกษาถ้าให้เอาตำราไปเรียนเองกับให้นักศึกษาไปเข้าห้องเรียนเรียนใครจะสอบจบได้เร็วกว่ากันดูตัวอย่างรามกำแหงนี่นักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเอาตำราไปอ่านที่บ้านก็ได้แล้วถึงเวลาก็ไปสอบกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่จบภายในเวลาที่เขากําหนดไว้เพราะอาจจะเรียนไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มข้นเพราะว่าไม่มีใครมาบังคับแต่ถ้าไปเรียนในห้องเรียนนี่มีครูมีอาจารย์มาคอยสอนมาคอยบังคับมาคอยอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจจากการที่เราอ่านในตำรา ถ้าไม่เข้าใจสามารถถามอาจารย์ได้อาจารย์สามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้พอถึงเวลาไปสอบก็สอบได้ผ่านได้อย่างตามที่ได้เขากำหนดเวลาไว้พวกที่เรียนนอกห้องเรียนนี้มักจะเรียนไม่จบกันไม่ครบไม่จบตามเวลานอกจากพวกที่มีวินัยจริงๆพวกที่มี การควบคุมบังคับให้เรียนอยู่อย่างเหมือนกับเรียนในห้องเรียนแต่ก็ยังสู้คนที่อยู่ในห้องเรียนไม่ได้เพราะบางทีไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็จะไม่ได้ทำข้อสอบให้ถูกได้อันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างการมีครูอาจารย์กับการไม่มีครูอาจารย์ครูอาจารย์นี้ก็มีสองแบบครูอาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นครูอาจารย์ที่แท้จริง กับครูอาจารย์ที่แท้จริงครูอาจารย์ที่ไม่แท้จริงก็ครูอาจารย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติได้เรียนแต่ตำราแล้วก็จดจำตำราได้ดีแต่บางทีก็เข้าใจผิดก็จะสอนแบบผิดๆให้กับผู้ที่มาศึกษาจากอาจารย์นั้นได้แต่อาจารย์ที่เป็นอาจารย์แท้นี่เป็นอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติ คือได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติได้เอาไปพิสูจน์ว่าคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นอย่างนี้จริงหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นคำสอนที่เป็นคนสอนที่รูปอย่างถูกต้องจะไม่ได้รูปตามความเข้าใจของตนแต่รู้จากการพิสูจน์จากการปฏิบัติ ว่าทำอย่างนี้จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหายไปได้แต่คนที่ไม่ได้ไปปฏิบัตินี้จะไม่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วความทุกข์ต่างๆจะหายไปหรือไม่เพราะคนที่เพียงแต่ศึกษาจากตำรานี้ยังไม่ได้เอาไปปฏิบัติยังไม่ได้เอาไปพิสูจน์ยังไม่รู้ว่าสามารถที่เอากาจัดความทุกข์ต่างๆไปได้จริงหรือไม่ เหตนการศึกษาจากครูอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันก่อนจะศึกษาควรจะศึกษาประวัติของอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์องค์นี้จบจากสถาบันไหนจบจากจุฬาหรือจากาจากาห้องแถวมหาลาัยห้องแถวเดี๋ยวนี้เขามีมหาวิทยาลัยห้องแถวเนี่ย เ, เขา ให้สมัครแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้ประกาศชนีบตัตออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนให้เสียเวลา อ, อ, อันนี้ต้องไปศึกษาดูครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยว่าออท่านเป็นอย่างไรศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ไหนมาแล้วการประพฤติการปฏิบัติตัวของท่านเป็นอย่างไรออท่านสอนอย่างหนึ่งแล้วท่านทำตัวอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือสิ่งใดที่ท่านสอนท่านก็ทาอย่างนั้น มันต้องมีการศึกษาดูไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปได้อาจารย์ปลอมกันได้ อ, อาจารย์ปลอมแล้วเดี๋ยวเรียนก็จะเรียนไม่จบหรือจบก็จบแบบไม่จริงจบแบบปลอมจบแบบไม่ได้กาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ะนี่คือ พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่พวกเราจะต้องอาศัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสาระเป็นที่พึ่งการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็ให้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนเราถ้าเราถือแล้วถ้าเรามั่นใจว่าท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้อย่างเต็มที่เราก็จะได้รับผล นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเพราะถ้าเราได้เรียนรู้จากวิธีหาความสุขแบบที่แท้จริงแล้วใจของเราต่อไปก็จะมีแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวความสุขปลอมเราจะเลิกหาความสุขปลอมที่เราหากันอยู่ตอนนี้คืออะไรก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เอง พวกเราเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันเราคิดว่ามันเป็นความสุขกันเวลาได้เงินทองมานี่ดีใจกันแต่เวลาเงินหายไปนี่เสีย อ, อกเสียใจกันอมองไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่ได้ไม่เห็นตอนที่เสียกันอได้ตําแหน่งมาดีออกดีใจกันเพราะถูกปลดถูกโยกย้ายก็เสีย อ, อกเสียใจกันเอ็ ได้รางวีรางวัลมาก็ดีใจกันพอไปแข่งใหม่ไม่ได้รางวัลก็เสียใจนี่แคือความสุขที่พวกเราหากันความสุขที่มันมักจะพลิกจากความสุขไปกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดะงนั้น ถ, ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เราเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกัน เราให้มาหาความสุขในใจกันวิธีหาความสุขภายในใจก็มีอยู่สามขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่งให้หาความสุขจากการทำบุญทำทานขั้นที่สองให้หาความสุขจากการรักษาศีลขั้นที่สามให้หาความสุขจากการบําเพ็ญจิตตภาวนามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาสอนใจให้เกิดปัญญา ให้เห็นความเป็นจริงของสิ่ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรกันแนะ่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาหรือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้จิตใจของพวกเราทุกคนนี้จะเห็นลาบยศสลรเสิริญสุขว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันแล้วเวลามันไม่เป็นเราก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเราได้มาศึกษาตามที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น ท่านจะสอนให้เราให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่หามันดีกว่ามาหาสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังก็คือการมาภาวนาทำใจให้สงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปยึดไปติดไม่ไปต้องการไปอยากได้อะไรแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือเรื่องการาให้การความสุขแก่ใจว่าใจนี้อย่างที่พระเจ้าได้ทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราเป็นสมบัติของเราอยู่กับเราไปกับเราะจะไปแบบสุขหรือไปแบบทุกข์เท่านั้นเองตอนนี้ส่วนใหญ่ไปแบบทุกข์กันไปแบบร้องห่มร้องไห้กัน แต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนและได้ปฏิบัติตามแล้วต่อไปจิตใจของเราจะไปแต่ความสุขจะไปอย่างมีความสุขอยู่ก็มีความสุขไปก็มีความสุขท่านเรียกว่าสุ ข, ขโกรธใช่ไหมมีแต่ความสุขตอนนี้พวกเรามีแต่ทุกขโกรธอยู่ที่ไหนก็ทุกอยู่ที่นี่ก็ทุกอยู่ที่นู่นก็ทุกอยู่กับใครก็ทุกมีเรื่องให้ทุกอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่รู้จักสร้างความสุขให้กับใจนั่นเองเรารู้จักแต่วิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจกันเราก็เลยต้องมาทุกข์กันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ชาตินี้เราโชคดีเรามีโอกาสที่จะพ้นทุกข์กันแล้วถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ขอให้มาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเถิด มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันแล้วรับรองได้ว่าไม่ชา้าก็เร็วภายในภพนี้ชาตินี้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จะมีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะเพรปุเรนติสากหลังเอวเมวะิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะหราโสยะถามณิโชติ ภาระโสยะาสัพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโวินาสตุ มาเตภวะตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะพิวาธนศิริสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมาวาทันติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้ข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา328 YouTube 185วิทยุออนไลน์23 e รับฟังข้างบนนี้66คนรวมทั้งหมด602ครับถามมาน้ำสการค่ะหลวงพ่อคือ หนูจะถามเรื่องการนั่งสมาธิในฐานะที่หนูเป็นปุตุโจอนะคะคือทุกครั้งที่หนูนั่งแล้วพุทโธ ท, ทุกครั้งที่รู้สึกว่าง มันจะมีร้อยแปดเข้ามาเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาเป็นประจำหนูก็จะดึงพุดโธพุดโธมันมันเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าหนูไม่คอยดึงพูดโทไว้ก่อนมานั่งเนี่ยต้องคอยดึงตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พูดโธพูดโธไปกันไม่ให้เรื่องต่างๆเข้ามาในใจก่อนแต่ที่นี้ชีวิตของคารวะมันเป็นไปไม่ได้ เีระชีวิตของเขาลว่าต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มันก็เลยมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาพอเวลามานั่งไอ้เรื่องที่เคยคิดมันก็ยังไม่หยุดค่ะเรฉั้นถ้าอยากจะนั่งแบบไม่มีเรื่องให้มาคิดต้องลองมาอยู่วัดสักสามวันหยุดทำงานสักสามวันดู แสดง ว, ว่าถ้าเกิดหนูยังไม่มีโอกาสที่มามวัดที่เหมือนหลวงพ่อพูดเนี่ยหนูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเออมันก็ทำได้เท่านี้แหละสาธุอ่ต้องอย่างอมันเวลาที่จะคอยกําจัดความคิดมันไม่มีมีแต่คอยผลิตความคิดอยู่เรื่อยๆสาธุเพราะต้องทํางานถุกเหตุการณ์บังคับให้คิดแต่ถ้ามาอยู่วัดนี้มันไม่มีอะไรให้คิดแล้วะ แต่มันก็ยังคิดอยู่ถ้าเราไม่หยุดมันแต่อย่างน้อยมันไม่มีเรื่องใหม่ให้เราคิดมันก็จะมีเรื่องเก่าที่ยังค้างอยู่ในใจให้เราคิดอยู่เราก็สามารถใช้พุโทโธพุโทโธเอกําจัดมันได้เข้าใจไหมคนถึงต้องมาอยู่วัดกันไงคนต้องมาถือศีล น, นั่งนุ่งขาวห่มขาวกันอยู่ตอนต้นเขาก็ให้พระพุทธเจ้า บ, บอกให้หาวันสักอาทิตย์ตะวันวันพระนี่ไงวันพระเป็นวันเข้าวัด วันรักษาศีลวันฟังเทศฟังธรรมวันปฏิบัติธรรม mm. เพราะเราเป็นวันหยุดทำงานพอดี mm. แต่สมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดใช่ไะมมันก็เลยไม่มีวันเข้าวัดกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงพ่อค่ะมีใครอยากจะถา ม, มั้มคือลูกเขาที่เป็นทหารที่โดนปลาแทงคอเสียชีวิตนะเจ้าค่ะ oh. เขารู้สึกเข้ามาเลยจ้ะ mm. ถามดี๋ย พูดเลยหนูอยากถามว่าตัวไกลๆปากเออที่หนูทําบุญไปให้ท่านให้ให้ลูกให้ลูกอะได้รับไหมคะอ๋อแล้วแต่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าพราดวงวิญญาณของแต่ละคนที่ตายไปมันมีบุญมีกรรมเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ไปเป็นอะไรถ้าเกิดเขาเคยทําบุญไว้มากกว่าทําบาปเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราเขาก็จะไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญ แต่ถ้าเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญน้อยกว่าทำบาป mm hmm. เขาอาจจะต้องมารอรับบุญจากเราค่ะง <Okay. S 2> ั้นเราก็ทำส่งไปก็แล้วกันส่วนเขาจะได้ไม่ได้นี่เราไม่รู้นอกจากเรามีตาทิพย์เท่านั้นเราถึงจะรู้ได้ห <Okay. S 2> รื่อบางทีถ้าเขาต้องการบุญบางทีเขาอาจจะมาเข้าฝันก็ได้อย่างที่บอกค่ะ <Okay. S 2> บอกแม่ตอนนี้อดอยากเหลือเกินหิวข้าวไม่มีน้ากินไม่มีอะไรเราก็ทาบุญไป ส่งไปให้เขาได้ดแต่ถ้าเขาไม่มาอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรก็อย่าไปกังวลที่ว่าเขากับเราหมดหมดความสัมพันธ์แล้วเหมือนกับสามีภรรยาหย่า ก, กันแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วผัวไปแล้วเขาจะไปอยู่กับใครก็เรื่องของเขาลูกก็เหมือนกันคนตายก็เหมือนกันคนที่ตายจากเราไปก็ถือว่าเราแยกทางกันแล้วตัวใครตัวมันนะ ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้หรือไม่เราก็ก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ก็ถ้าเราห่วงเขายังห่วงเขาอยู่ยังอยากจะให้เขาสบายเราก็ทำได้แค่นี้ละก็ทาบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขานัเเดี๋ยวจะถามว่า <c oughs> การฝันถึงเห็นถึงพระพุทธเจ้าเนี่ <c oughs> มันหมายความว่ายังไงครับก็พอใจเราฝันฝ่ยคิดถึงท่านนั่นสิ เราอาจจะสนใจศึกษาพระธรรมก็ประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เลยฝังอยู่ในใจเราเวลาเรานอนหลับเราก็ฝันไปหรือไม่นะ่าพระพุทธเจ้าอาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้ก็ลองลองพิสูจน์ดูว่าท่านมาเยี่ยมเราจริงหรือไม่เราจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงครับก็ต้องให้หาให้ท่านให้ท่านแสดงอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนพระพุทธรูปไม่เหมือนภาพวาดทั่วไป เหมือนคนปกติอะครับเจ้าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูว่าเป็นนิดนิดหนายหมายที่ดีก็แล้วกันฝันพระพุทธเจ้าดีกว่าฝันถึงเปรตถึงผีกับเท่านี้แหะครับถือว่าเป็นบุญก็แล้วกันนะบุญทำให้เราฝันดีบาปทำให้เราฝันลายต่อไปคำถาม คำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับคุณสายทองโยมได้เห็นตัวเองเป็นรูปคนแต่ข้างในเป็นสีขาวและสีเหลืองอ่อนครั้งที่สองก็เห็นอีกแต่ละเอียดมากโยมเคยไปกราบท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งและได้เห็นรูปอาจารย์ลอยที่หน้ารถพอมาที่วัดได้เห็นองค์จริงจึงตกใจตอนนี้ตื่นเต้นมากที่ได้เฟซท่านอาจารย์กราบธรรสารค่ะ กอย่าไปสนใจกับภาพหรืออะไรที่เราเห็นพระพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปลักอย่าไปชังอย่าไปกลัวไปหลงให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปหลงมันอาจจะทําให้เราเสียเสียหลักได้คําถามต่อไปจากคุณ พัศกรผมนั่งปฏิบัติธรรมในห้องพระทุกวันไม่มีแอร์หรือพัดลมอุณหภูมิห้องโดยประมาณประมาณ30องศาไม่ร้อนมากไม่อบอ้าวผมนั่งวันละ3เวลาครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากสมาะก่อนประมาณ20นาทีก็เริ่มมีเวทนามักเกิดขึ้นที่ขาขวาซึ่งก็เปลี่ยนจุดไปที่สะโพกต้นขาเขาน่องและเท้าสลับไปมาพิจารณาอนิจจังอนัตตาสักพักก็มีเงอหยดจนเสื้อแฉเหมือนเพิ่งวิ่งออกกำลังกายมาแล้วก็รู้สึกมีลมเบาๆมาสัมผัสเกิดเย็นจนชาที่แขนสองข้างจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นพิจารณาธาตุส แทนเหงื่อเปรียบเหมือนธาตุน้ำเย็นชาเปรียบเสมือนธาตุไฟไม่ทราบว่าผมปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมครับและอาการเย็นจนชานี้เป็นนิมิตใช่หรือไม่ครับผมเคยมาฟังธรรมที่เขาชีโอนครั้งหนึ่งพอดีฝนตกตอนสามโมงเลยไม่มีโอกาสกราบพระอาจารย์ครับก็ถูกครึ่งเดียวถูกในช่วงแรกที่นั่งสมาธิแล้วก็ทาใจให้สงบให้นิ่ง แต่พอเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมานี่เราควรที่จะพยายามทำใจให้นิ่งต่อไปอย่าไปสนใจกับเวทนาเพราะว่าถ้าเราไปสนใจเราไปพิจารณาถ้าเราพิจารณาไม่เป็นมันมันจะไม่เกิดผลมันยากการที่จะพิจารณาเวทนาแล้วปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ก็ให้ปล่อยวางด้วยสติไปก่อน คือให้เราควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจต่อไปหรืออยู่กับพุโทโธต่อไปอย่านั่งเฉยๆการนั่งสมาธินี้เราต้องการหยุดความคิดแม้แต่วิปัสสนาก็ไม่ควรทําในตอนที่เราทําสมาธิเพราะกําลังที่เราจะไปใช้กับวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมันยังไม่พอเห็นพยายามมาสร้างกําลังก่อนกําลังที่จะทําให้เราไป ทำเรื่องวิปัสสนาได้นีต้องผ่านอัปปนาสมาธิไปก่อนจิตต้องรวมเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนแล้วต้องรวมได้นานๆนรวมได้บ่อยๆรวมได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้ชํานาญพูดง่ายๆเมื่อเราชํานาญทางด้านสมาธิเราถึงควรจะออกไปทางด้านวิปัสสนาต่อไปคำถามต่อไปจากคุณโซเฟีย ดิฉันอยากไปถวายผ้าไตรจีวรกับท่านพระอาจารย์จึงขอเรียนถามว่าใช้ผ้าไตรจีวรสีอะไรคะจะได้จัดไปได้ถูกสีคะ่ะก็ดูแตเนี้ยใส่อยู่เห็นอยู่ยถามพูดมันอธิบายมันง่ายกว่าดูให้ไหนสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าคุณติดตามเฟซบ o o กอยู่หรือติดตาม y o u t u ู e อยู่ก็เห็นอยู่เนี่ย คำถามต่อไปจากคุณจุม่มคุณแม่เสียไปหลายปีแล้วท่านมาเข้าฝันว่าหนาวมากและหิวอยากส่งเสื้อให้ท่านใส่จะทำเช่นไรท่านถึงจะได้รับเจ้าค่ะก็ทำบุญแบบไหนก็ได้เน่ะเพราะบุญนี้สามารถแปลงไปแปลงไปเป็นอาหารไปเป็นเสื้อผ้าได้บุญนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึก ทำบุญชนิดไหนก็ได้ใส่บาตรก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วมันก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาแล้วก็ส่งความสุขใจไปพอท่านได้รับบุญได้ความสุขใจท่านก็หายหิวหายหนาวคำถามต่อไปจากคุณปองการฝึกให้ใจสงบตัดความคิดฟุ้งซ่าน ทำไมถึงยากมากเจ้าคะพระอาจารย์มีวิธีทาอย่างไรพราเราไม่ทำาซสิมันก็ยากถ้าทำมันก็ง่ายคำว่าทำนี้ไม่ได้ไหมเฉพาะเวลามานั่งหลับตาเท่านั้นต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาพอจะลุกจากเตียงก็พุโทโธก่อนแลอย่าไปคิดถึงอาหารเช้าอย่าไปคิดถึงไอ้นู่นไอ้นี่พุโทโธพุโทโธไปก่อนไปทาหน้าที่ในห้องน้าก่อน ระหว่างทำก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรอย่ไปคิดก็ต่อเมื่อถึงเวลาต้องคิดถ้ายังไม่ต้องคิดอย่าไปคิดให้พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าทําอย่างนี้เวลามานั่งมันง่ายนั่งแป๊บเดียวห้านาทีก็สงบได้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราไม่ทําเองมันก็เลยยากทําแค่สิบนาทีมาว่าไม่ไหวแล้วเพราะมันสู้ความคิดไม่ได้ ว่าเราไม่เคยหยุดมันเลยมาหยุดแค่ตอนช่วงที่เรามานั่งไม่ไม่พอเหมือนเบรครถยนต์เนี่ยรถยนต์วิ่งร้อยกิโลต่อชั่วโมงนี่แต่เบรคปั๊บจะให้มันหยุดปุ๊บเลยมันไม่หยุดหรอกมันก็จะหยุดก็อีกกิโลหนึ่งก่านมันจะหยุดได้เพราะฉนั้นเราต้องใจเย็นๆต้องพยายามมีความขยันพยายามหมั่นพุทโธหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งมันจะไม่ยากมันจะง่าย คำถามจากคุณจินคอปในการเจริญปัญญาควรสังเกตอย่างไรว่าสมาธิและปัญญาสมดุลกันดีครับเราต้องมีสมาธิก่อนมันไม่ใช่เรื่องของความสมดุลเราต้องฝึกสมาธิควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้ได้ก่อนทําใจให้สงบให้อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขแล้วพอเกิดความอยากเราก็เอาปัญญามาสอนใจให้ให้เลิกอยาก ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะเพิ่มความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ถ้าต้องการดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอันนี้มันไม่ได้เรื่องเป็นของเรื่องของความสมดุลหมดแล้วมั้งหมดแล้วครับเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ